พุทธวัตรสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับสู่รายการที่จะนำธรรมะของพระาศาสดาที่ได้ตรัสเอาไว้ให้พวกเราได้เป็นที่พึ่งนับตั้งแต่ที่ตรัสรู้มาเรื่อยมาจนถึงวันนี้ก็ 2,600 ปีนะคะโดยประมาณดิฉันสันตินาคมในรายการคะ่ะธรรมะของพระาศาสดานั้นท่านเน้นให้เราเนทราบแล้วต้องนาไปสู่การปฏิบัติ รายการนี้ก็จึงให้คนที่คิดว่าชีวิตนี้ไม่ว่างที่จะปฏิบัติได้มีโอกาสปฏิบัติร่วมกันกับรายการนะัตั้งแต่ตอนต้นของรายการเลยโดยมีท่านผู้อำนวยการหลักสูตรอีกรเรนนะคะจากวัดปารนไฮโซรอนธานีมาเป็นผู้นำท่านปฏิบัติทุกๆวันก่อนที่เราจะสนทนาธรรมกันต่อไปวันนี้จะสนทนาในเรื่องข้อเสียของการที่เราติดการใช้ โมบายโฟนหรือว่าพวกสมาร์ทโฟนทั้งหลายเนี่ยมากถึงขนาดที่เหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเรียบร้อยแล้วหรือเราพึ่งพายึดเป็นที่พึ่งเจ้าเครื่องนี้มากไปแล้วว่าเกิดผลเสียถ้าหากว่าเราจะเป็นผู้ที่ฝึกปฏิบัติตนในทางธรรมะหรือไม่ยอย่างไรแต่ตอนนี้ไปพบกับท่านพบูลเพื่อนาเราปฏิบัติกันก่อนนะคะนมำสการกันท่านค่ะเทียน ในเบื้อต้นก็ให้เรามาระลึกถึงลมหายใจของเราแต่เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการตั้งสติขึ้นสตินั้นเป็นธรรมะหมวดแรกที่พระพุทธเจ้าระลึกถึงนึกถึงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ไปสอนใครเลยหรือซ้ํามาคิดว่าจะสอนใครดีมาคิดว่าจะเริ่มสอนอะไรก็เริ่มสอนเรื่องที่สติตั้งขึ้นไว้ก่อนเลย สติที่เราจะตั้งขึ้นได้คเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าให้ไว้มีอยู่หลายอย่างเช่นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติบ้างระลึกถึงศีลเป็นศีลานุสติบ้างอันหนึ่งที่ได้ตรัสติงอ น, นิสงส์งไว้อย่างมากเลยก็คือเรื่องของการระลึกถึงลงหมหายใจคืออานาปนานสติวิธีการที่เราจะเริ่มต้นทำอานาปนาสติได้นั้นก็คือให้เรามาสังเกตดูสังเกตดูลหมหายใจของเราลหมหายใจของเรา ที่มันผ่านออกผ่านเข้าอยู่อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเรารับรู้ถึงลมได้ที่ไหนเอาจิตของเราตั้งไว้ณที่ตรงนั้นเวลาที่เราตั้งจิตขึ้นอยู่กับลมหายใจนี้เวลาที่เรามาดูลมหายใจเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่านอกจากจะเป็นการเห็นเจริญอนาปนานสติแล้วสติที่เกิดขึ้นนี้ก็เรียกว่าเป็นสติปารานตั้งสี่ด้วยเพราะว่าเวลาที่เรามาดูลม เห็นลมโดยความเป็นธาตุลมอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นกายหรือว่าถ้าเราเห็นลมจากความที่สัมผัสที่มันมากระทบอยู่ด้านในโพรงจมูกสัมผัสนี้ก็จะไม่เกิดเวทนาเป็นความรู้สึกก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เห็นเวทนาหรือว่าผู้ที่เข้ามารู้ลมหายใจผู้ที่เข้ามารู้ลมหายใจนั้นก็คือจิตนั่นเองก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นจิตให้จิตและเวลาที่เรามารู้ดูลมหายใจของเรานี้สติตั้งขึ้นแล้วเนี่ย ทำให้เราสามารถที่จะเห็นสรรพสิ่งโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้เห็นตามสภาพที่มันเป็นได้เห็นโดยความเป็นอนัตตาได้เห็นแบบนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมะก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรมในธรรมเจริญอานาปานสติทำอย่างดีแล้วทำอย่างมากแล้วทำอย่างบ่อยแล้วก็จะทำสติปัตานทั้งสี่ให้เกิดขึ้นให้เจริญขึ้นได้ด้วยซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบหรือดูอย่างเวลาที่ช่าง ไม้เขาเลื่อยไม้เขามาดูที่จุดสัมผัสระหว่างกลมเลื่อยกระทบกับตัวเนื้อไม้เวลาที่ช่างไม้เขาเลื่อยไม้ดูที่จุดสัมผัสนี้เขาก็จะเห็นทั้งตัวเหล็กที่เป็นกลมเลื่อยที่กำลังกินเนื้อไม้เข้าไปนี่อย่างที่หนึ่งเห็นทั้งตัวแผ่นไม้ที่กำลังถูกเลื่อยกินเข้าไปอยู่นี่อย่างที่สองเห็นทั้งขี้เลื่อยที่กาลังไหลออกมา อันนี้ก็เป็นอย่างที่สาเป็นผงเป็นฝุ่นลหยออกมาและอย่างที่สี่ก็ยังเห็นมุมมองสาท่าทางความเร็วทิศทางที่เลื่อนนั้นกําลังไปอันนี้เป็นอย่างที่สีเห็นอยู่นะที่ตําแหน่งเดียวกันจุดเดียวกันที่เจ้าคมเลื่อยมาสมัดกับตัวไมา้และเวลาที่ช่างไม้เขาเลื่อยไม้อยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปมองดูตามขันชักที่เขาเลื่อนขึ้นเลื่อนลง เขาจะดูอยู่ที่จุดสมบัติอย่างเดียวอันนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าเวลาที่เรามาดูลมหายใจเนี่ยเราไม่ต้องไปตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงท้องแล้วก็ไม่ต้องตามลมออกแต่ให้รู้ดูอยู่ที่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสมบัตินี้เวลาเราดูนั้นดูลมหายใจเนี่ยไม่ต้องบังคับลมให้ลมเป็นอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งลมที่เราหายใจเข้าหายใจออก ในแต่ละช่วงเวลาของวันมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่หรือแม้แต่ลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกเองก็มีความไม่เหมือนกันละ่ะเช่นอุณหภูมิของลมหายใจเข้าเนี่ยมันก็จะเย็นกว่าลมหายใจออกลมหายใจออกก็จะมีความอุ่นกว่าลมหายใจเข้าแต่ดูอย่างนี้ก็มีความแตกต่างกันหรือบางทีเราเป็นหวัดเป็นไข้เนี่ยมันหายใจคัดจมูกหายใจเข้าได้รูเดียวออกรูเดียวบ้าง หายใจเร็วบ้างหายใจช้าบ้างในช่วงแต่ละวันก็มีความแตกต่างกันไปเนี่ยการสังเกตตรงนี้คือให้เราแค่สังเกตเฉยแต่ไม่ได้ไปบังคับลมเพราะว่าการฝึกตรงนี้ไม่ใช่เป็นการฝึกให้หายใจแบบนั้นหรือแบบนี้แต่เป็นการฝึกจิตให้อยู่กับลมหายใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นลมหายใจประเภทไหนเราก็ให้รู้ดูลมหายใจอยู่ได้ลักษณะการกระทำตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้พุทธบทที่เรียกว่าทการศึกษาฝึกฝน ให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งป่วงหายใจเข้าหายใจออกกายก็คือลมกายทั้งป่วงนั้นก็คือลมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นลมแบบไหนสั้นยาวเร็วช้าร้อนเย็นรูเดียวหรือสองรูก็ให้เป็นผู้ที่มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกคีย์เวิร์ดที่สำคัญตรงนี้คือตั้งสติเอาไว้ให้ดีไม่ว่าจะเป็นลมแบบไหนซึ่งไม่ว่าจะเป็นลมแบบไหนในเวลาใด อยู่ที่ไหนอยู่กับใครเราสามารถที่จะตั้งสติไว้ได้ตลอดเลยการฝึกตรงนี้จะทำให้เรามีสติที่มีกำลังมากขึ้นจะเป็นที่ที่รักษาจิตของเราได้อยู่อางต่อนเนื่องนั้นเองเทรนบอลสชุ่กค่ะในกรณีที่ท่านบอกว่าลมจะเป็นแบบใดก็ตามนั่นถือว่าเป็นการตั้งสติอยู่ในกายใช่ไหมคะใช่ลมนั้นคือกายที่นี้บางคนก็เลยบอกว่าท่านบอกว่าลมจะเป็นแบบใดก็ตามเนีย อันนี้หมายรวมถึงเรามีความรู้สึกเหมือนหาลมไม่เจอด้วยไหมคะถูกต้องจริงๆคนที่หาลมไม่เจอเนี่ยนะค่ะออถ้าดูจริงๆเนี่ยมันจะมีลมอยู่น้อยนิดเดียวเนี่ยคือทําไมถึงหาลมไม่เจอมันจะมีอยู่สองกรณีด้วยกันนี่ยคือหนึ่งกรณีที่แบบว่าลืมหลงลมไปเนี่ยเช่นว่าแบบเผลอไปทำให้หาลมไม่เจอเพลินไปทางอื่นอันะนี้แก้ง่ายๆก็คือว่าคุณ ก, กลับมาตั้งสติใหม่ แหรือกรณีที่มักจะเจอกันบ่อยๆนี่คือเคสที่2นั่นคือกรณีที่จิตมันสงบลงไปนั่นคือจิตเนี่ยนะคุณโยมติ๋วถ้าบอกว่ามันไม่ได้ไปเที่ยวแล่นตรงนู้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะค่อยรวมลงค่อยรวมลงแต่เวลาที่มันรวมลงรวมลงจากการที่มันไม่ไปแสสายตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเวลามันรวมลงมันก็จะเล็กลงเล็กลงแหลมคมขึ้นแหลมคมขึ้นในปรียบเหมือนกับเราใช้เลนส์นูนรวมแสงนะแว่นขยายเนี่ย อย่างเวลาที่เราทําการทดลองในสมัยเด็กๆเนี่ยก็มารวมแสงแล้วเนี่ยถ้าเราปรับจุดโฟกัสให้มันดีเนี่ยให้มันเหมาะสมเนี่ยมันจะเล็กนิดเดียวเด็เช่นเดียวกันจิตที่มันไม่ได้ไปแสสายรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยพอมันรวมลงแล้วมันก็จะเล็กนิดเดียวทําให้พื้นที่ที่จิตเข้าไปรับรู้ตึงสัมบัติของลมหายใจเนี่ยมันน้อยนิดเดียวแต่พื้นที่มันเล็กไงจากการที่จิตมันรวมลงเนี่ยพอจิตรวมลงทําให้เวลามันเข้าไปสังเกตลมเนี่ย มันไปสังเกตพื้นที่ที่เล็กนิดเดียวแต่ถ้าให้มันดูเหมือนกับว่าแทบจะไม่หายใจเลยคือเหมือนกับไม่มีลมเลยแต่จริงๆถ้าเราดูดูดีๆเพ่งลงไปดีๆดูดีๆเนี่ยมันจะมีลมอยู่หน่อยหนึ่งอ่อนน้อยนิดเดียวแต่ถ้าเป็นในลักษณะนี้แต่เราไม่ต้องไปทําลมให้ใช้ให้มันแรงๆขึ้นมาแค่ว่าเราแบบเพ่งดูให้มันดีว่าอ๋อนลมมันอยู่ตรงนั้นเกิดจุดเดิมนั่นแหละอันนี้คือกระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอนนะไม่ใช่ว่าเราไปบังคับลมให้เบา แต่ว่าลมมันเบาของมันเองคือจริงๆลมก็ไม่ได้เบาหรอกลมก็เป็นธรรมชาติของมันนั่นแหละแต่ว่าผู้ที่เข้าไปสังเกตลมหายใจมันมันพื้นที่มันน้อยลงจากการที่จิตของเรามันรวมลงมีความแล้มขมขึ้นตรงนี้ค่ะไันพิเศเล็กลงเดี๋ยวขอชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะคือในส่วนของผู้ที่เข้าไปฟังไปสังเกตคือตัวรู้คือจิตจิตใจอ๋อตัวจิตตัวผู้เข้าไปสังเกตเองที่เล็กลงถูก ต, ต้องไม่ใช่ว่าลมหายใจน้อยลงสิคะท่าอย่างนั้นะไม่ใช่ ลมหายใจอยู่เท่าเดิมเท่าเดิมแต่เมื่อจิตรวมเป็นตัวที่เล็กลงตึกใจแหลมคมขึ้นแหลมคมขึ้นจะทำเสึกเหมือนกับไม่มีลมเพราะว่าเนื้อที่ที่เข้าไปสังเกตลมมันน้อยนิดเดียวค่ะอันนี้ยังคิดว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะสงสัยอยู่ในบางท่านเหมือนกันนะคะแต่ในกรณีที่ท่านบอกว่าที่หาลมไม่เจอเหตุแรกเพราะเพลินไปอยู่ กับอย่างอื่นเนี่ยงเข้าใจว่าผู้ปฏิบัติใหม่ๆนี่จะเป็นแบบนี้บ่อยมากใช่แล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยตัวเองด้วยหายเหตุผลว่าอ๋อเขาไปอยู่ที่อื่นอืนะคะแต่ว่าในอีกกรณีเนี้ยหมายถึงถ้าก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่งความรู้สึกจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลอแน่นอนแน่นอนใช่ค่ะคือคนที่พอจิตรวมลงเนี่ยแล้วมันเล็กลง ทำใหพื้นที่ที่เข้าไปรู้ลมมันน้อยนิดเดียวเนี่ยนะก็แน่นอนว่าจิตจะสงบะจะสบายใจอยู่ในค่ะทีนี้ขั้นต่อไปอีกแตจากจากตรงนี้เนี่ยคื อ, ค, อคือถ้าลมมันเบาลงเบาลงแล้วเราทําไปดีๆแล้วเนี่ยนะแล้วบางทีแบบมันเหมือนหายไปเลยอะคือแบบว่ามันไม่ใช่หลับหรือหรือจะหลับก็ไม่รู้แต่ว่าอยู่มันหายไปสักครึ่งชั่วโมงเอา้ามารู้สึกตัวอีกทีเอ้าฉันรู้ลมเอ๊ะหลับหรือเปล่าตะ ก, กี้อย่างงี้นะ คือคือลักษณะเนี้แสดงว่าจิตเป็นสมาธิแล้วทีนี้สมาธิหนึ่งมันมากนะมากเกินกําลังของสติเพราะมากเกินกําลังของสติไอส่วนที่เกินมาเนี่ยมันก็เลยเป็นความง่วงซึมเป็นตีน่ามิทะเป็นความที่ขี้เกียจขี้คร้านมันก็เลยเหมือนกับหลับไป น, นเพราะว่าสติเราไม่ทันสมาธิคือสมาธิมีกําลังมากเกินกําลังของสติตรงนั้นมันก็เลยเหมือนกับหลับไปอันะนี้ก็เป็นอีกรณีหนึ่งเหมือนกันนะ ว่าไอ้ลมหายไปไหนงนี้ก็จะได้ทำให้พวกเราเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าอธิบายได้ว่าอาการที่ท่านเป็นอยู่นี้แหละอันนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะก็ถือว่าดีหรือว่าไม่ดีคะที่มีสมาธิมากเกินไปเกินกาลังสติเนี่ยค่ะอือคือสมาธิอะไรที่มันมีกาลังเนี่ยมันดีอยู่แล้วสมาธิมากๆดีแน่นอนไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าที่ไม่ดีคือสติเราไม่ทันมันเราควรจะไปเพิ่มกำลังสติ ไม่ใช่ว่าลดสมาธิลงมาแต่ไปเพิ่มกําลังสติที่จะถูกต้องค่ะก็ต้องพยายามที่จะอให้สติตั้งมั่นมากขึ้นใช่ด้วยการฝึกป ฏ, ฏิบัติต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องให้อินทรีย์คือสติเนี่ยมีกําลังแก่กล้าขึ้นมามค่ะการที่จิตรวมลงจนแหลมเล็กลงอย่างที่ท่านว่าแล้วทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าไม่รู้ลมหายใจอันนี้ถือว่าจะมีความรู้สึกว่าเหมือนสบายถูกไหมคะ ใช่เหมนเหมือนอันนี้เป็นสุกหรือเป็นปีติแล้วอยู่ในขั้นชาญไหนกันเนี่ยโอเคเราดูกรรมาดูที่พุทธพจน์ค่ะที่พระพุทธาบอกว่าทําการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ที่ทําการปรุงแต่งให้เป็นผู้ที่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตยอย่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตไอการปรุงแต่งของจิตมีอะไรบ้างคือเจนความคิดบ้างสิ่งเวทนาบ้างสัญญาบ้างพวกนี้เป็นการปรุงแต่งของจิตทั้งนั้นเลย ตันี้ในขั้นต่อมาพระพริชาก็บอกว่าอ้าวทำการปรุงแต่งของจิตให้ระ ง, งับหายใจเข้าหายใจออกแต่ก็น่าคือรู้พร้อมเฉพาะก่อนนะรู้ละว่ามันปรุงแต่งคิดไปนั่นนี้โน่นเอาแต่ก็ฝืนไม่มาดูอยู่กับลมหายใจเป็นผู้ที่ไม่ลืมหลงลมหายใจแต่พอทำไปทําไปจิตก็เริ่มมาอยู่กับลมมากขึ้นสติมีกําลังมากขึ้นสึ่งอื่นๆการปรุงแต่งนั้นอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงมันก็จะค่อยระ ง, งับลงระ ง, งับลงจะมรงงาระงับลงแล้วมันมอยู่กับอะไรมากขึ้น จิตม่อยู่กับลมสติก็มีกําลังมากขึ้นทําให้การปรุงแต่งต่างจิตเนี่ยระงับหลงระงับล ง, ง, บลงแลง้วทาไงก็มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเนี่ยเป็นอย่างนี้พอมีสติหายใจเข้าหายใจออกจิตเป็นยังไงต่อก็ทําให้เราเป็นผู้ที่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตได้และเราจะไม่เห็นจิตของตัวเราเองเลยนะคุณโยมติวถ้ารปลว่ามันยังมีการปรุงแต่งนั่นนี่นอนอยู่แต่เหมือนกับคลื่นน้ํามันมีบุ่มบุ่มบุมบุมอยู่เนี่ยยังมีตะกอนมีฝุ่นผงอะไรเนี่ย เราจะไม่เห็นก้นน้ําเราจะจนกระทั่งอตอวตะครพวกนี้มันตกลงตกลงตกลงจนกระทั่งน้ํามันใสขึ้นมา<ส><ไ>เช่นเดียวกันว่าการปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันจะทําให้แบบเดี๋ยวคุณจะเห็นคุณไม่ได้เห็นจิตหรอกคุณเห็นความคิดของมันคุณก็ไม่ได้เห็นจิตหรอกคุณเห็นอาการของจิตเช่นไปรู้สึกบ้างอะไรบ้าง<ไ>แต่ถ้าความรู้สึกพวกนั้นมันไม่มีความคิดพวกนั้นมันไม่มีเราถึงจะค่อยเห็นตัวจิตจริงๆตเๆต็มๆไหน<ไ>ซึ่งตรงเนี้ยคือจุดที่บอกว่าจิตเดียวๆเอกๆเลยเนี่ย มันเป็นประพัดสอนและมันเป็นความแจ่มใสมันเป็นความสว่างมันเป็นความสุขอยู่ในภายในอันนี้เป็นอย่างนี้ทีนี้ตรงจุดนี้ที่บอกว่าเป็นชา้นไหนหรือเป็นขั้นไหนคือถ้าเราเทียบกลับมาที่ตัวบทคืออยู่ตรงเนี้ยของในอานาปนาสติสูตรนะและถามว่าจุดนั้นถ้าคุณมีปีติมีสุขไหมมีตัวตัวหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของฌานที่จะต้องว่ากันไปนะ <Okay. S 1> ต, ตรงนี้ก็เท่ากับว่า เวลาที่เรามีสมาธิเนี่ยเวลาที่เราทําสมาธิมาสติเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วอาการทางจิตมันจะค่อยระ ง, งับลงระ ง, งับลงทีนี้ระ ง, งับลงแล้วมันจะเป็นองค์ประกอบของฌานสมาธิแบบไหนเกิดขึ้นมานาเช่นว่าถ้ามีปีติสุขโอมีปีติสุขอันนี้ก็แสดงว่าเป็นชนนั้น1ขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้น<า>อันนี้ก็เป็นลําดับขั้นลําดับขั้นไปหนาจะได้ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4หรือขั้นไหนก็ตามก็ให้ทําในใจไว้ให้ดี ซึ่งอาณาปาสตินี้เหมือนกันน่ก็จ ะ, ค, ะค่อยเป็นลำดับขั้นไปค่ะแต่ที่ฉันอยากจะย้อนไปเรียนถามตรงที่ท่านพูดถึงว่าการที่เราจะเห็นจิตได้เนี่ยพวกความฟุง้งทั้งหลายการปรุงแต่งของจิตเนี่ยจะต้องระนั บ, งงบใช่ะทีนี้ในการที่เราปฏิบัติสมาธิถ้าหากว่าตามแบบของสัมมาสติะคะที่พูดถึงว่า สติเนี่ยมีอยู่ที่กายมีอยู่ที่เวทนามีอยู่ที่จิตมีอยู่ที่ธรรมเนี่ยยังไม่ทราบว่าเรื่องของการเห็นจิตจะไปอยู่ในอานาปานาสติในส่วนที่เป็นจิตตาโนปัสสนารึเปล่าคะถูก ต, ต้องถูก ต, ต้องคือจิตตานุปัสสนาสตรีฐาน ค, คือใช้จิตเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงนั่นหมายความว่าเราต้องมีความสามารถในการที่จะระ ง, งับการปรุงแต่งของจิตได้แล้วจึงจะสามารถไปใช้ จิตเป็นที่ตั้งของสติถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องอสธาธุค่ะคือคือเวลาที่จิตมันยังฟุ้งซ่านอยู่บางทีเราไปคิดนึกนั่นนี่โน้นเนี่ย เ, เราจะไม่เห็นตัวจิตอย่างที่ว่าแต่เราก็ฝืนที่จะมารู้ลมแลการที่จะมารู้ลมเนี่ยมันก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งจิตมันก็จะมาด้วยแหละแต่เราจะไม่เห็นตัวผู้ที่เข้ามารู้ลมจะไม่เห็นแต่ว่าจะเห็นอาการของผู้ที่เข้ามารู้ลมแทนเช่น เวทนาบ้างสังขารบ้างพวกนีนะ้แต่มันก็มาด้วยกัน ค, นะคือมันเหมือนกับประบุตรชาเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับอาคารหลังหนึ่งเรือนยอดหลังหนึ่งมีทางเข้ามาจาก4ทางนะไม่ว่าจะมาจากทางไหนก็ถือว่าเข้ามาสู่กลางอาคารนี้เหมือนกันเช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะเห็นลมจากแง่มุมของความเป็นธาตุสีทธาตุลมหรือความที่ไปรู้สึกอะไอย่างอื่นมันก็ตามมาด้วยเหมือนกัน มันก็จะมีอยู่ในนั้นีแต่เราอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคือสติเกิด ข, ขึ้นแน่นอนอเออค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าต้องไล่ตามลาดับไ ม, ไม่จำเป็นกาก่อนเวทนาต่อมาจิตต่อมาทำที่หลังอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ ม, ใชไม่จำเป็น่ะคะคือสามารถที่จะเข้ามาโดยรอบถ้าอย่างนั้นใช่ใช่ค่ะเข้าใจกันลึกซึ้งมากขึ้น ฉันขออนุญาตถามคำถามที่ได้ตั้งไว้ตอนต้นก่อนที่จะกราบน้อสกการท่านเลยได้ไหมคะในเรื่องทัท่วไปที่ได้กราบเรียนถามตั้งแต่เมื่อวานนี้คือเรื่องการใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็ติดกันมากในขณะ น, นี้จนเป็นสังคมก้มหน้าที่เขาว่าและถึงขนาดบางประเทศมีการรณนนรงค์ให้อย่า ก, ก้มหน้าใช้โมบายโฟนขณะที่เดินเหินไปไหนมาไหน กันเลยนะคะเป็นเรื่องใหญ่เป็นแคมเปญใหญ่เป็นปัญหาระดับโลกะใช่ค่ะเมื่อวานนี้ท่านก็ได้พูดไปว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่มันติดไปยึดเป็นที่พึ่งเป็นนิสยัยต้องแก้ใช้พลังสติอย่างมากที่จะฝืนเลิกถูกไหมคะใช่ทีนี้อ่าที่ดีฉันจะกราบเรียนในวันนี้ก็คือว่ามาคิดต่อค่ะว่าเออถ้าเป็นคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้เราจะเสียหาย ในการที่จะเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาหรือไม่อย่างไรคะต้องดูว่าสิ่งที่ทำให้เราไปใช้งานคาว่าติดเนี่ยน ะ, ะนติดเนี่ยอะไรอะไรที่ทาให้เราไปติดในคำตอบของคำถามนี้ก็คืออุปาทานคือความยึดถือความยึดถือหรืออุปาทานเนี่ยมันทำให้เราไปยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แปลว่าอุปาทานคือความยึดถือแล้วพอมีความยึดถือที่ไหนนะคุณอยนะู่ที่อยู่นตรงนั้นมันจะเกิดเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งที่มาทันทีความเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งเนี่ยเนี่ยมันคือพบ ม, มันเหมือนเป็นก้อนอะไรที่แบบฉั น, นจะต้องไปไปรู้ไปดูไปใช้ไปทํามันคือก้อนตรงนี้มันเป็นสภาวะขึ้นมาความเป็นสภาวะนี่คือพบนะมันก็ทําให้จิตของเราต้องไปดูไปทําไปใช้เกิดเป็นการเกิดขึ้นมาละก้าวลงไปในสิ่งนั้นละ เคลื่อนไปในสิ่งนั้นละ่ะเกิดขึ้นมาละ่ะเพราะมีการเกิดมันมีความทุกข์แน่นอนมีความเกิดก็จะมีความแก่ใต้โศก ร, ร่ำไรลำพันทุกกายทุกใจโรลกันตามมามันจึงเป็นความทุกข์ตรงนี้ตรงนี้คือปัญหาตรงนี้คือปัญหาปัญหาที่เกิดจากการที่เรามีความยึดถือแต่และความยึดถือเนี่ยมันไม่ได้มีในสิ่งอะไระนอกจากขันห้าโทรศัพท์เนี่ยเป็นขันห้าแน่นอนเป็นเรื่องของรูปในเป็นเรื่องของรูปนี่คือหมายถึงว่าเป็นของแข็งใช่ไหม ม, มันก็เป็นวัตถุที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็เป็นของแข็งอย่างหนึ่งโอ้มันสวยงามจริงๆเลยนะมีรูปร่างหน้าตาดูดีรูบไปมันก็มีความผิวพันอะไรที่มันงามน่าดูน่าชมอันนี้ก็เป็นทางรูปนะมีทางความหมายรู้สัญญานยะไปดูแล้วก็เห็นเรื่องราวตรงนั้นตรงนี้โอ้หเป็นสัญญาแบบนั้นแบบนี้ขึ้นมานะมันก็ทําให้เรามีเวทนาด้วยมีความสุขบ้างความทุกข์บ้างขึ้นขึ้ น, นลงๆตามอาการของสัญญาที่มากระทบ มันมีหลายอย่างไเลยในโทรศัพท์อันเดียวเนี่ยมันจึงน่าติดมากไงอค่ะอืมมันมันจึงน่าที่จะเข้าไปดูมากเนี่ยถ้ามันเอ g a g e ในหลายๆลายอิะตนะความติดเหมือนขอมันมาฮุกเกี่ยวเราเนี่ยนะมันก็จะมีหลายตะขอด้วยกันคือถ้าเราจะเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าคุณไปร้านอาหารใช่ไหมโหร้านอาหารนี้อร่อยดจริงๆเลยมันก็ติดที่ลิ้นนอกจากอร่อยแล้วเขายังมีดนตรีภายราะด้วยหูด้วยทีนี้ มีดนตรีด้วยแหมยังมีการแสดงเจ๋งๆด้วยเราก็จะพูดไปอย่างนี้ก็ทั้งรถทั้งกลิ่นทั้งหูทั้งตายิ่งจะแบบพากันไปมากยิ่งจะติดมากเช่นเดียวกันถ้ า, าเจ้าสิ่งที่เป็นโทรศัพท์มือถือมันก็จะแบบให้ความรู้สึกตรงนี้มากขึ้นค่ะยังเข้าใจว่าถ้าเป็นพวกมบาย น, นีย่อายตนะที่เกี่ยวข้องตรงๆมีตาหูจมูกแต่ลิ้นนี่ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องอยังไงนะคะจมูก จมูกกับลิ้นอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวใช่ไหมก็จะเป็นใบสองขาตาหูจมูกกับลิ้นจะไม่ค่อยเกี่ยวแต่ว่ากายใจกายใจอ่าใช่นั้นก็สี่อันน่ะสี่อันเพียงแต่ลิ้นนี่มันอาจจะเป็นทางอ้อมเหมือนกันนะคะเปิดไปดูภาพปุ๊บเนี่ยโอ้โหน้ําลายสออืมเป็นอย่างไรก็ได้น่ารับทานมากใช่นะคะหรือว่าอาจจะเกิดอ่าจินตนาการทางคานะที่จมูกได้กลิ่นเครื่องดือมเชีือ น่าทานหรือว่าน่ารังเกียจมากอย่างนี้อืมก็สรุปแล้วก็คือว่าอโทรศัพท์นั้นเป็นตัวนํามาซึ่งควา ม, วามถือเพลินใช่ที่จะนำไปสู่การยึดถือใช่ค่ะเพลินยึดถือไปตรงนั้นก็เพลินแล้วเพลินแล้วก็จะไปสู่ในทางที่จะให้ไปเกิดความทุกข์ไดนะ้แล้ ว, ถ, มม ว, วถ้าสมมุติว่าความทุกข์ตรงไหนเช่นถ้าสมมุติว่าโทรศัพท์หายอย่างนี้ หัวมันทุกมากแน่นอนมันทุกมากแน่นอนอหรือว่าถ้าโทรศัพท์ไม่ถึงก็หายหรอกแค่มันตกอย่างเงี้ยโอ้ยมันจะทุกมากแน่นอนมันอยนะ่างนี้ค่ะท่านค่ะบางทีไม่ต้องหายไม่ต้องตกหรอกสมมติว่าโทรศัพท์มีปัญหาอืมใช้ไลน์ไม่สะดวก่เป็นต้นนะคะดิฉันยกตัวอย่างเอาง่ายๆหรือว่าโทรศัพท์มันชาร์จแบตไม่เข้าอืมโทรศัพท์มันดึงข้อมูลออกมาไม่ได้เออ หรือ wifi ไม่มีอย่างเงี้ยนะค่ะมันเกิดความทุกข์สารพัดอันเนี้ยถือว่ามันทุกทางโลกหรือทางธรรมคะท่านคะมันมันทุกทางโลกที่ธรรมะจะเห็นได้เลยล่ะอย่างไรคะท่านคะก็เพราะว่าทุกมันเห็นอยู่กับตอนหน้าต่อตาแล้วใช่ไหมความทุกเนี่ยเป็นธรรมอย่างหนึ่งเน่ยตัณหานี่ก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งความทุกเนี่ยเป็นธรรมที่ควรเข้าใจตัณหาเป็นธรรมที่ควรละจากการที่ต้อเห็นอยู่ในโลกเนี่ยเห็นอยู่ในคันห้าเห็นอยู่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันโลกกับธรรมมันคืออันเดียวกันนี่แหละ ที่แต่ไม่เราเห็นได้คือถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วเราจะเห็นโลกได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าเราไม่เข้าใจโลกลเราจะไม่เข้าใจจะไม่เห็นธรรมะได้ค่ะท่านคะถ้าเช่นนั้นนะคะเท่ากับว่าเราก็สามารถที่จะอาศัยสมาร์ทโฟนของเราที่เป็นเจ้าตัวทําให้เรามีความสุขและมีความทุกข์ได้อย่างชัดเจนนี้เป็นเครื่องที่จะทําให้เราเจริญขึ้นในธรรมะ ดีฉันไม่ใช้คําว่าบรรลุธรร ม, มนะคะดูเหมือนเนี่ยจะไกลเกินไปเปลี่ยนไปได้ไหมคะเปลี่ยนไปได้ถูกต้อ ง, องทำยังไงคะก่อนที่จะไปตรงนั้เนเร า, าจะขอเพิ่มเติมตรงนี้หนึงเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ความทุกข์นี่นะแล้วไ อ, ไอ้โทรศัพท์มือถือหรือว่าเจ้าลักษณะความทุกข์เนี่ยความยึดถือเนี่ยมันจะทําให้เราแปลกแปลกไปด้วยนะแปลกแปลกไปยังไงเช่นว่าเวลาที่โทรศัพท์เหมือนเหมือกันอย่างเช่นโทรศัพท์ของคุณยมติว๋วกับเพื่อนอคุณยมติ๋วเนี่ยถ้าของเพื่อนตกแต่มาของเพื่อนตกแตกเนี้ย ฉันไม่ค่อยทุกเท่าไหร่บางทีสมน้ําน้ามันด้วยเธอตือไม่ระวังแต่ถ้าของฉันตกแตกทั้งที่มันมันมันไม่ต่างกันมันเหมือนกันนะคือเลขเลขซี่ร้อยตัวเบอร์อาจจะต่างกันแค่หนึ่งแต่ว่ารุ่นเดียวกันสีเดียวกันแต่ทํำไมของเขาตกแล้วเราไม่จีตสมน้ําน้ามันด้วยแต่ของเราตกเราจีตเนี่ยจีตมันแปลกอย่างนี้ทำให้เราถึงอาการแปลกแปลกแบบนี้แบบไม่ค่อยเต็มบ้าบานิดหนึ่งแต่เพราะว่ามันไม่สม่ําเสมออะมีอคติใช่ไหม ทีนี้ถึงคําถามที่คุณโยมติวว่าเอาแล้วมันจะทํายังไงให้เราดีขึ้นมาได้เห็นทํามาได้พอปริญาบอกตรงนี้คุณโยมติวสําคัญมากเลยเราะว่าไอสิ่งที่ทําให้เรายึดถือได้ตรงไหนเนี่ยนะสิ่งที่ทำให้เรายึดถือได้ตรงไหนเนี่ยนะตรงนั้นจะนําความบริสุทธิ์มาให้ได้เมื่อเราคลายความยึดถือในสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะทําให้เราบริสุทธิ์ขึ้นมาได้เดี๋ยวตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือใช่ไหมโทรศัพท์มือถือถ้าเรายึดในสิ่งนั้นโอโ้โหมันไม่ดีเลย มันทำให้เราเศร้ามองให้เราเป็นทุกข์ให้เราถึงอาการแปลกๆ แ, และถ้าเราคลายความยึดถือในสิ่งนี้ได้สิ่งนั้นแหละจะทําให้เราบริสุทธิ์ขึ้นมาสิ่งนั้นหมายถึงโทรศัพท์มือถือนี่แหละมันจะทําให้เราบริสุทธิ์ขึ้นมาทําไมอ่ะเพราะเราไม่ยึดถือในมันพอเราไม่ยึดถือในมันจิตใจเราสูงขึ้นทันทีเราไม่ต้องพึ่งโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้อีกต่อไปจิตใจเราสูงขึ้นทันทีนี่แหละคือความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นได้จากการอาศัย สิ่งนั้นมาเป็นเครื่องทดสอบตรงนี้มันจะเรียกว่าเป็นเครื่องทดสอบแล้วนะ <Okay. S 1> เครื่องทดส อ, สอบนี้ไม่ใช่เฉพาะโทรศัพท์มือถืออาจจะเป็นคนใกล้ตัวอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆน่ะเช่นว่าคนที่เขาทําไมเขาจะต้องมาพูดกับฉันเวลานี้และคนที่จะมาสอบกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องอื่นๆไกลๆเรื่องใกล้ตัวทั้งสิ้นโทรศัพท์ก็อยู่ใกล้ตัวเราคนก็อยู่ใกล้ตัวเราหรือสถานการณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยมันจะเป็นเครื่องทดสอบว่าเราจะบริสุทธิ์ได้หรือไม่ก็คือไอ้สิ่งที่มันทําให้เกิดอาสวาะนั่นแหะ แต่โทรศัพท์มือถือคนใกล้ตัวคําพูดอย่างนั้นอย่างนี้ทาให้เราเกิดอาสวะเข้าไปแบบยึดถือได้ก็ไอ้สิ่งนี้แหละทําให้เราพ้นจากอาสวะได้ค่ะเดินอยากจะขออนุญาตให้ท่านได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะสําหรับพุทธพจน์ที่ได้ตรัสถึงเรื่องตัวปัญหาคือตัวไหนก็ทําให้เราคลายปัญหาได้บริสุทธิ์ขึ้นมาได้ค่ะเกิดพระพุทธเจ้าใช้คำว่าขันหะพระพุเจ้าใช้คำว่าขันหะขันห <Okay. S 1> ะ, เ, ะนนเนี่ย ทำให้เรายึดถือในนี้ทำให้เราไม่บริสุทธิ์ทำให้เราเศร้าหมองเพราะอะไรเพราะความยึดถือในอะไรในขันหา้าก็ขันห้านี่แหละที่ทํทำให้เราพ้นจากความเศร้าหมองได้เพราะอะไรเพราะถ้าเราคลายความยึดถือในขันห้าได้เราก็เลิกเศร้าหมองได้เราก็ผ่องใสได้เราก็เจริญได้เพราะความคลายกำนัดในขันห้านี้นั่นเองเพราะนั้นขันห้านี่แหละที่จะเป็นตัวที่ทาให้เราบริสุทธิ์ได้ จากการที่เราไม่ไปยึดถือในมันค่ะนะคะก็เท่ากับว่าท่านสรุปว่าสำหรับสมาร์ทโฟนที่ทำให้เรารเผชิญหน้ากับปัญหาระดับโลกสังคมก้มหน้านี้เป็นตัวปัญหาในการปฏิบัติธรรมจริงแต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถใช้เจ้าตัวสมาร์ทโฟนนี้ในการที่จะทำให้เราเจริญขึ้นทางด้านธรรมะได้นะคะด้วยการที่เข้าใจซะว่าสมาร์ทโฟนเนี่ย เป็นตัวที่ทําให้เราประสบกับขันห้าถูกไหมคะคือมทำให้เราไปยึดถือใช่มันเป็นตัวขันห้าท่เราไปยึดถือนมัได้มันเป็นยึดเป็นขันห้าเลยใช่ตัวมันเปาให้ยึดและพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าถ้าเราคลายความยึดถือในขันห้านั้นได้เก็จะบริสุทธิ์ได้ขึ้นมาด้ถูกต้องนะคและอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นว่าบนโลกใบนี้อะไรที่เราไปยึดถือเข้าแล้วให้ท่านสังเกตดูว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งมันน่าจะเป็นทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะคะทุกอย่างไรใช่ไม่ได้อืสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะทําให้เราหลุดพ้นหรือว่าบริสุทธิ์ได้คลายความทุกข์ได้ถูกต้องด้วยการคลายความยึดถือในสิ่งนั้นนั่นเองถูกต้องเห็นไหรคบว่าธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากใช่แล้วทีนี้วิธีการวิธีการที่จะทําให้เราคลายความยึดถือในขันห้านั้นได้ วิธีการที่ทําให้เราคลายความยึดถือในโทรศัพท์มือถือได้อย่างวิธีการนั้นก็คืออรอยิยมรรคมีองแปดนะมรรคแจะเป็นตัวที่ทําให้เราคลายความกําหนัดในการหน้าได้นะการหน้านี้มันมาเป็นเครื่องทดสอบนะค่ะ <Okay. S 1> คื อ, คอถ้าเราจะมองจากมุมที่ว่ามันทําให้เราบริสุทธิ์ขึ้นมาเนี่ยมันคือเครื่องทดสอบถ้าเราจะมองจากมุมที่ว่ามันทําให้เราเศร้าหมองลงไปอันนี้นคือปัญหานะคือเป็น <Okay. S 1> ปัญหาเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์แต่ถ้าเรามองจากมุมที่มันทําให้เรา ดีขึ้นมาได้นะั่นคือขั้นทดสอบเราจะผ่านการทดสอบนี้ได้คุณต้องมีมรรคแมรรคแคุณต้องเจริญให้ดีทําให้มีกําลังสตินี่เป็นตัวสําคัญเลยอันแรกเลยเอามาใช้ก่อนเลยนะถ้าเรามีสติเป็นกําลังไอธรรมะอย่างอื่นๆก็มาตามมาละนะวาจาก่อนดีสมาธิก่อนดีนะพอพวกอื่นๆดีๆตามมาแล้วเนี่ยเราจะชนะการทดสอบบันไดเราจะคลายความยึดถือในขันธานั้นได้เราก็จะบริสุทธิ์ขึ้นมาได้ ค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเด็กเนี่ยยกขึ้นมาเล่นๆเหมือนกันนะคะสมาร์ทโฟนเพราะว่าในเมื่อเราก็เชื่อว่าเรื่องโลกเรื่องธรรมเป็นเรื่องเดียวกันทีนี้พวกเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะมาเข้ากับธรรมะได้แต่ก็เห็นมีหลักการอย่างนั้นจึงนํามากราบเปลี่ยนถามพระอาจารย์ว่าถาหลักการว่าเป็นอย่างนี้แล้ว ทุกอย่างโลกกระทำเหมือนกันเนี่ยนะคะเป็น อ, อันเดียวกันเนี่ยมสมาร์ทโฟนจะเป็นเรื่องโลกที่เป็นธรรมด้วยหรือไม่ก็ปรากฏว่าหนีไม่พ้นจริงๆใช่อะไรก็ตามนะคุณโยมติ๋วถ้ามันมีเห็นได้ทางตาได้ยินได้ทางหูจ ม, มูกลิ้นกายใจใจเนี่ยสามารถใช้ธรรมาได้หมดแล้วอะไรก็ตามที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนะี่ยเป็นธาตุสี่ขันธ์ห้า อายตนะหกเนี่ยสามารถใช้ธรรมะได้หมดมค่ะถ้าสีดิน้ำไฟลมเนี่ย น, นะคะใช่ขันห้ากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจถูกไหมคะ ส, สามารถใช้เป็นธรรมะได้หมดธรรมะได้หมดมองรอบตัวสิคะเห็นอะไรที่ไม่ใช่ขันห้าไม่ใช่อายตนะ ไม่ใช่อะไรอีก น, นะคะธาตุสี่ธาตุสี่บ้างไม่มีเลยน ะ, ะถ้าพบแล้วมารับรางวัลที่ท่านพปปูนดีไหมคะใช่มาได้เลยแสดว่าะ ค, ะคุณเนี่ยต้องเป็นพระหลานแน่นอนคนที่คนโปค่ะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันดีทฉันก็ต้องกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่อดทนยอมเหนื่อยบันทึกเทปรายการจนกระทั่งสัปดาห์นี้ได้ลุล่วงไปนะคะ ทั้งทังที่ท่านต้องอยู่ในการสอนอย่างหนักหน่วงสําหรับคอสหลีเร้นที่วัดป่าดอนหายโศกกราบนวัตสการคะ่ทคะท่านคะเจมส์บอนการนั้นคือพระภัยบูรณ์อภิปุลโนนะคะพระมหาไพบูลณ์อภิปุลโนวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีค่ะทานผู้ฟังที่เคารพค่ะและเราก็ได้สนทนากันมาจนถึงเวลาที่เราจะต้องลากันอีกวันนึงแล้วนะคะทางสถานีวิทยุเครื่องข่าวเอฟเอร้ดิฉันสันสนีนาคพงษ์ ก็เชิญชวนท่านกลับมาฟังรายการสันสนีสนทนากันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่นะคะสำหรับวันนี้พุทธสวัสดีค่ะ